สวนต่อไปบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวาค า, า, าตาุลอะกาวตาต ม, มยุยสันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตาพวิญูหีติ